พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบดลำดับที่ส8ปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าสิงหาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าได้ทุกอย่างแต่ได้ยาก วันนี้เป็นวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2556เมื่อวานมีคณะจากอุดรฝ่ายพระสงฆ์มาคลาวะที่3วัรดรวมกันแล้วก็มีคณะท่านพิพากษาทรัพย์สินทางปัญญามาเมื่อวานประมาณ สี่สิบกว่าคนาแต่หลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมาถึงแล้วแต่เห็นถ้าฝ่ายพระมาก็เลยด้พูดอบรมธรรมะให้พระฟังเมื่อวานพูดเป็นแนวภาคปฏิบัติเข้มขน้นพอสมควรหวาน แต่พระท่านบอกว่าอัดเทปไม่หมดไม่หมดแต่ได้เป็นบางส่วนจะแสดงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดนั้นบกพร่องแล้วก็เมื่อวานมีผู้มาพูดเกี่ยวกับการ สร้างเจดีย์หรืออะไรลักษณะอย่างนั้นขององค์หลวงตาหลวงพ่อเองก็บอกว่าสําหรับหลวงพ่อเองถ้าหมู่พวกคณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวสรุปแล้วมันเนิ่งเน่งทุกหมู่หลวงพ่อก็เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังกฟัดกฟเฟียดอยู่ ยังไม่เห็นคุณค่าว่ายังไม่เห็นเอาลงที่ตรงไหนแนีแน่นอนฮยังขัดแย้งกันอยู่ในครูบาอาจารย์หมู่คณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อก็ยังก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะเหตุหายเพราะมีความขัดแย้งกันอยู่หลวงพ่อก็ยืนยนันคําเก่าคือสรุปแล้วก็คือหลวงพ่ออยากจะให้ มีความพร้อมเพียงสมัครกีกันนิ่ง้วก่อนแต่บางคนก็จะเอาไปไว้ตรงนั้นก็มีป้ายต่อต้านขึ้นมาแล้วยกป้ายขึ้นมาต่อต้านในเมื่อต่อต้านแล้วผมมันก็ยังไม่นิง่งในเมื่อยังไม่นิง่งก็จะแดงว่าผู้ที่จะลงมือลงทมยังมีการขัดแย้งกันอยู่เอาเถอะเนือเมื่อขัด ยกันดูอย่าเพิ่งทำทำไปแล้วก็ไปไม่เป็นมงคลสิบปีก็ยังไม่สายการสร้างคุณงามความดีสิบปีก็ยังไม่สายผู้ที่ตายไปก็ตายไปเป็นไรไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างไอ้ผู้ที่ฟังบรรวนมันกรอ์หลวงพ่อคูณก็อายุเจ็ดสิบปีก็ตายให้เห็นอยู่แล้ว เมื่อวานมันก่อนหลวงพ่อประจนกับเจ็ดสิบปีก็ไปให้เห็นอยู่แล้วแล้วก็ท่านบุญจันทร์ผาน้ําจันทร์หกสิบกว่าปีไปให้เห็นอยู่แล้วแล้วก็วัดหลวงปู่อ่อนโคเขตก็บพึ่งประชุมเพิงเมื่อนาแล้งเนี่ยอายุเจ็ดสิบต้นต้นก็ไปให้เห็นอยู่แล้วเพเารเานนะนั้นหลวงพ่ออินของเราเนก่อน 6-9 สิบเก้าปีแล้วนะจะอยู่นานไปสักเท่าไรเอาเถอะลูกหลานนะาพวกเรารุ่นเก่าๆนี่ที่ม่เห็นเห็นไม่ลงรอยกันะเนี่ยตายไปตายไปตายไปอีกสิบปีข้างหน้าลูกหลานไม่มีใครไม่มีความเห็นให้ ค, อ ย, คอยสร้างเท่าไ่สร้างเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาต่อไปอจะตกปัจจัยก็มีอยู่แล้ว หลวงพ่อเขาพูดอย่างนั้นนะพูดแบบรวบลัดเลยจะทำยังไงได้ลนะ่ะทำไม้พูดอย่างนั้นเพราะว่าความพร้อมเพียงสามัคคียังไม่เกิดในเมื่อยังไม่เกิดแล้วก็สร้างไปมันก็ไม่เป็นมงคลเดี๋ยวกลุ่มนั้นก็ม็อบเดี๋ยวคนนี้เดินขบวนเดี๋ยวคนนั้นไม่เห็นด้วยกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอีกมันหลายกลุ่มต่อไปลูกหลานรุ่นเก่าเนี่ย รุ่มรุ่นที่ศรัทธาในองค์หลวงตาอย่างสุดซึ้งเนี่ยหมดไปหมดไปเดี๋ยวลูกหลานรุ่นนั้นเนะ เ, เห็นหลวงตาไม่เข้มข้นเท่าไหร่จากนั้นค่อยสร้างจุดตุปจัจมันอยู่ในธนาคารนั่นแะแต่ช่างแต่สร้างเดี๋ยวนี้ราคาอาจจะไม่แพงเหมือนต่อไปภายภาคหน้าแต่อไปภาคหน้านี่เศรษฐกิจมันเวอร์ขึ้นเงินบาทมันเฟอ้อ อาจจะแพงขึ้นก็ไม่เป็นไรจ้างเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละหลวงพ่อก็พูดเท่านั้นตามไม่จริงหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดหรืออยากจะกล่าวมีแต่มีความมีแต่ความพยายามโน้มน้าวสามัคคีเป็นหลักตั้งแต่ไหนแต่ลามา คำว่าแต่แย ก, กสมม ก, กีเอารัดเตเปรียบหมู่พกเพื่อนคณะสงฆ์ในใจของหลวงพ่อรู้สึกว่าไม่มีเลยแต่จะทำยังไงจึงจะเป็นไปด้วยความราบรุ่นในการบริหารจัดการคณะสงฆ์แต่หลวงพอ่อเองมานึกย้อนหลังอีกเหมือนกันนะลูกหลานคณะสัทธาญาติโย นึกย้อนหลังเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเรานึกย้อนหลังไปเราเกิดมาเพื่ออะไรเนีเมื่อเราก่อนเกิดคุณแม่ชีแก้วท่านก็บอกว่ามีพระอินทเอานําแก้วก้อนหนึ่งมาถวายเม็ดหนึ่งแก้วใหญ่เกือ บ, บเท่าแตงโมนี่แต่พระอินบอกว่า มาสร้างบารมีขอให้มาฝากคุณแม่เขามาสร้างบารมีแต่นี่ทุนแม่ก็รับพ่อรับท่านก็มองซ้ายมองขวามองล่้มองหลังเห็นโยมพ่อเข้ามาท่านก็เลยเอาแก้วนี่เอาเขาจะมาขอเกิดด้วยนะจากนั้นยงพ่อก็ได้รับไป พอรับไปแล้วก็ต่อมาเขาก็ไม่มีอุนทศา ว, ว่าในท้องแมนะ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอต่อมาก็พอแม่คลอดออกมาลุกคุณแม่ชีแก้วก็ตั้งชื่อว่าอินทวายนี่แหละความเป็นมาของอินทวายจากนั้นมาก็คนทั้งหลายก็เป็นที่รู้กันถ้าจะสืบสอบ ไปที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่ยกเมฆพูดไม่ใช่เบอร์พูดตามความเป็นจริงจากนั้นมาก็เนี่ยหลวงพ่อก็เกิดมาแบบเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาทำมาค้าขายทำมาหายอยูกินทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนจนอายุจบป .4 อายุ11ปีจบป .4 แต่สมัยนั้นเขาเรียน อายุเจปีเข้าโรงเรียนบ้านนอกต่างหากพออายุย่างส2องพอเราจบปสเดือนมีนาเพราะเราเกิดมันเมษาวันทีน่27เมษาจากนั้นเราเข้าเดือนมีนามันก็เข้าปีที่12บจากนั้นเราก็บวชเป็นสามเณรเป็นสามเณรกระหลวงปู่ล่าศึกษาทุกอย่าง ที่ได้ศึกษามายัางไงมาบอกกล่าวแนะนำพี่น้องประชาชนจัทธทยญาติโยมให้ได้รู้ได้ทราบว่าเข้ามาเบื้องต้นเป็นยังไงนึกทบทวนในการดำเนินชีวิตของตนเองแต่สมัยเป็นเนรต่อมาก็เป็นพระเป็นสมณเณรอยู่แปดปีจากนั้นก็เป็นพระระจยมพรรษาอยู่ที่ภูจอก้ออีกหนึ่งพรรษาที่เป็นพระ จากนั้นก่อนหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากม า, มาจากเชียงใหม่มาเยี่ยมโยมแม่ของท่านท่านก็ไม่มีหมู่เพื่อนท่านก็เรียกทีแรกเราก็เป็นสมเด็ท่านมาครั้งแรกท่านจะไปเทศให้พวกคณะชีฟังเราก็ไปเป็นเนร น, นั่งฟังไปเป็นเพื่อนท่านจากนั้นท่านมาอยู่สามเดือนท่านก็กลับเชียงใหม่เพราะท่านมาชั่วข่าว จากนั้นพี่น้องอะไรนิมนต์ท่านมาท่านก็เห็นว่าโยมแม่ของท่านอายุป่าจะเข้า80แล้วท่านก็ควรจะมาโปรดแม่ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านมากลับมารอบสองเราก็บวชเป็นพระอะไรตี้ท่านก็นิมนต์ท่านก็มาบอกให้มาเป็นเพื่อนท่านอีกหมู่พกเพื่อนท่านจากนั้นเรามาจํำรรษาที่ห้วยทรายปี25งพส จากนั้นผมโยมมรรดาของท่านโยมแม่ของท่านจากไปโยมย่าจากไปท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาทางวัดกิติหลวงจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปจำพรรษาวัดหลวงปู่แหวนสุจินโนปี2511 510 5าร้าบรจำพรษาที่ปูจก้า้าร้อยเาห้วยทราย510รบร้อยแม่ปัง 511ตรงมาจปราษากลับมาจำํำภรษาที่ห้วยทรายอีกเพราะญาติโกโหติการนมหมด512ออกจากห้วยทรายเหตุผลที่ออกจากห้วยทรายจากหลวงปู่จามเราก็ให้เหตุผลว่าหลวงปู่หลวงอาที่หนีจากบ้านไปแต่สมัยเป็นหนุ่มเพราะหลวงอาบอกว่าอยู่บ้านมันวุ่นวายไฟดุนเก่าฐานเก่า มันติดไฟได้ง่ายกระผมก็เหมือนกันทาไมอยู่ในบ้านคงจะติดไฟได้ง่ายเพราะว่าสิงแวดล้อมอยังเป็นหนุ่ม เ, เป็นหนุ่มก็ต้องมีสาวมันก็ต้องลักษณะอย่างนั้นผมเพา อ, ออกไปอยู่ที่อื่นท่านก็ไม่ขาดค้องเพราะท่านารู้กแก่ใจของท่านเออ จากนั้นเราก็เลยขึ้นมาทางนครพนมสกลนคร อ, อุดรผลในสุก็ได้เข้ามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ตาไม่ยิงว่าอยู่วัดป่าบ้านตาดเราก็ไม่ได้จุดประสงค์จุดนี้จุดเดียวเราจะตองเวณนไปเรื่อยจนเป็นที่มั่นใจซะก่อนเราจึงจะเข้ามาอยู่จำพรรษาถ้าเรามั่นใจจึงจะวกกลับมาใน ใ, นใจแต่พอเขาไปอยู่วัดวัดป่าบ้านตาดแล้วอือหน้าศึกษา อหลวงตาท่านเข้มงวดขวดขันเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยโดยมากจะใช้ปัญญาเกือบทั้งนั้นซื่อเ่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อโดนตบพดทั้งนั้นเลยโดนแปดปอนทั้งนั้นตีกิเลสเพราะนั้นโอ้น่าศึกษาเลยก็อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา14ีปีจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่ แต่ถึงยังไงก็ตามคําว่าเกิดมาสร้างบา ร, รมีคํานี้นะี่ยมันก็อยู่ในจิตใจอีกเหมือนกันทําสิ่งไหนก็ตาม่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อตัวเองก็พยายามทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดตลอดถึงงานเมื่อเรามาอยู่ที่นี่เราก็ไปกราบเยี่ยมหลวงปู่จามบ้างหลวงปู่ล่าบาั้งเป็นประจําแต่อย่างนั้นเราก็ไปหลวงปู่ล่ามากกว่าพอไปพักหลวงปู่ล่าเสร็จแล้วก็ ามาแวะหลวงปู่จามพอได้ฟังแนวความคิดของหลวงปู่ล่าทั้งหลวงปูล่ลาทั้งหลวงปู่จามถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่หลวงปู่จามแต่หลวงปู่ล่าเป็นญาติสนิททางธรรมะตั้งแต่อายุสิบ2็ดสบสองปีถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ธรรมะสอนแนวความคิดให้แต่แรก เริ่มเข้ามาสู่วงการพระพุทธศาสนาแด้อยู่กับท่านเป็นระยะเวลาถึงแปดปีเก้าปีาพักพรรษาหนึ่งเนนสามเน็นแปดจากนั้นเมื่อเราไปอยู่เมื่อหลวงปูล่ล่าละสังขารในช่วงนั้นเราก็เข้าไปทั้งที่เป็นหมู่บ้านของเราด้วยเป็นญาติโกโหติกาของเราในท้องถิ่นทั้งหมด แล้ก็พระมาจากทินอื่นก่อนที่ลูกปูจะจากไปจะตุปปัจจัยวัดเราไม่เกี่ยวเราก็พยายามหาสมัครพรรคพวกหาทุนเพื่อสร้าง JD เจดีพราลูปูกำลังเส้นเลือดแตกนอนอยู่ที่มุกดาหารเป็นเวลา10บกว่าวันเราก็พยายามสรัทธาญาติโยมที่รู้จักมักคุณก็ได้เงินเกือบสิบหัวล้าน เป็นตัวแรกออกมาจากนั้นเมื่อท่านหลวงรับไปเราก็ประกาศร่วมกันสร้างเจดีย์องค์หลวงปูล่ลากสร้างขึ้นมาโอ้ขนาดนั้นก็ปัญหาไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ทั้งที่บ้านนั้นเป็นบ้านของเราอีกต่างหากเป็นญาติโกโติกาข้องเราอีกต่างหากและก็พระรุ่นน้องๆที่เราเกิดมาเราเป็นรุ่นพี่ของเขาอีกต่างหากแต่ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดา เนี่ยวันหลวงพ่อเกิดมาเพื่อสร้างบารมีสู้รบตบศึกแท้เลยก่อนที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ล่าพอสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นแล้วเจาะเป็นช่องไว้แล้วว่าจะบรรจุอัธิธาตหรือพระธาตพระพุทธเจ้าหรือหลวงปู่ล่าอยู่ตรงไหนอย่างไรกะไว้แล้วกับคณะช่างประชุมกันที่ขอนแกนแล้วตกลงกันแล้ว แต่วันดีคืนดีคณะสงฆ์บรรจุหลวงปู่ล่าเฉยไม่ได้บอกหลวงพ่ออินเลยหลวงพ่ออินอยู่ทางนี้ทั้งที่หลวงพ่ออินเป็นผู้จ่ายงวดงานทุกงวดเป็นผู้ดูแลกับคณะช่างจ่ายงวดทีแรกับหลวงพ่อเป็นคนจ่ายเป็นคนสร้างแต่คณะสงฆ์บรรจุอัธิธาตุหลวงปู่ล่าเฉยบนยอดพระเจดี ในวันอุโบสถประชุมกันพระเป็นร้อยเอาบรรจุเลยไปรออะไรจะไปหาหมอร้องหมอล ำ, อล ำ, อลำทำไมหงปูลา่าเราง่ายๆบัรจุเลย <c oughs> พระสงฆ์ก็บรรจุเลยบรรจุเสร็จแล้วเขาก็พูดเย้ยมาหาหลวงพอ่อเหมือนกันอธิ่านหลวงปูลา่าบรรจุแล้วนะอ้าวบัรจุได้ยังไง เ, เรายังไม่ได้เออ นีมนคูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแลยพวกท่านบรรจุรเลยเหรอใช่เรียบร้อยแนละ้วออืเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะจะทำยังไงมันเรียบร้อยแล้วี่หลวงปู่ท่านคงไม่มาว่าอะไรกับเราหรอจกจบไปแต่ในใจของเราแล้อทําไม่ถูกพอในีเราสร้างขึ้นมาหลวงปูร่ราดเป็นใครจะต้องหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถืออย่างองค์หลวงตามหาบวัวเป็นผู้ไปบรรจุมันจึงจะถูก แต่ทำไมลูกหลานจึงทำอย่างนี้แบบขาดความเคารพมันไม่ถูกหลวงพ่อคิดได้เพียงแค่นั้นจากนั้นก็นเลยเข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาพอจวนเจดีจะเสร็จอโอกาสองค์หลวงตาครับผมเจดีของหลวงปู่ล่าเกือบเสร็จแล้วแต่ว่า เ, เรื่องบรรจุอธิธาตของหรือพระพระบรมสารีริกธาตุก็ดี หรือว่าพระาธาตุก็ดีเขาบรรจุแล้วกับผมบรรจุบนยอดเจลีแล้วแล้วจะให้กับผมปฏิบัติอย่างไรพ่อแม่กุญแจจะไปทําพิธีอย่างไรเมื่อเขาบรรจุเรียบร้อยแล้วแล้วไข่หลวงตาแถาไข่คณะพระสงฆ์ในวัดนะครับผมหลายๆวัดในละแวกนั้นหลวงตากันหนึ่ง เออทางนั้นเราไม่ไปถ้าบรรจุแล้วเราไม่ไปทําอะไรไม่มีสูงไม่มีต่ําขาดความรอบคอบมันไม่ถูกจะทํำยังไงทําอย่างนั้นไม่ถูกเราไม่เราไม่ไปยุ่งด้วยนะเราไม่ไปเกี่ยวเราไม่ยุ่งไม่ต้องบอกกับเรานะเราก็ครับผมจากนั้นเราก็ลงมาจากนั้นก็เราก็ไปประชุม จากนั้นก็สร้างเจดีย์ทุกอย่างเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่าประชุมกันใหญ่เลยเลยเอ า, เอาพร้อมกันเลยอย่างพี่น้องประชาชนสัตชาญาิโยงพณะสรส์เป็นร้อย เ, อเรื่องเจดีย์เจดีย์ของหลวงปู่ล่าเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็ควรจะถวายซะ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาจวนที่จะฉลองเจดีหรือว่าสมโพธเจดีนั้นคงจะไม่มีเพราะเหตุไรเพราะว่าได้บรรจุไปเรียบร้อยแล้วเพราะพวกท่านทั้งหลายไดบรรจุแล้วผมก็ไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเจดีของหลวงปูล่ลาเพราะนั้นให จัดการไปเลยจะทำยังไงก็ทำซะไม่ต้องยุ่งกับเรานะหลวงตาท่านพูดอย่างนี้เพราะนั้นผมเองในที่เป็นหัวหน้าการก่อสร้างจะถูกปัจจัยยังเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างไงอันนี้ก็หลวงตากําลังหาทุนหาทองคําเข้าคลังหลวงอยู่ใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เงินก่อนนี้จะทำยังไงแต่ในฝ่ายทางนู้นเขากดคืนมาเงินเจดีก็ต้องเป็นเจดียเป็นไปนอย่างอื่นไม่ได้เพราะเงินเจดีมันเหลืออยู่ประมาณหกล้านกว่าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะหลวงพ่อก็บอกว่าผู้ที่ลงขันเจดีเป็นใครที่ลงขันเจดีสร้างเจดีเป็นใครผู้ที่ลงขันสร้างเจดีลายใหญ่ มีชื่อให้กลุ่มนั้นออกเป็นผู้ออกเสียงถ้าว่าผู้ใดก็ตามไม่มีทุนไม่ได้ออกทุนด้วยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงใช่ไหมพวกที่ออกเสียงก็ยกมือใช่อา้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราจะเอาไว้ที่ไหนจะไว้เจดีย์ภูเจ้าก้อนหรือว่าจะซื้อทองคําเข้าคลังหลวงถาวายหลวงตาแต่หลวงพ่อยินเนี่ยอทั้งหมดนี่ ที่มันยังเหลืออยู่ทหารออกมาเนี่ยหลวงพ่อจะซื้อทงทองคําเข้าข้างหลวงถวายหลวงตาทั้งหมดเพราะหลวงตากําลังต้องการทองคําถ้าหาว่าหลวงปู่ล่ายังอยู่หลวงปู่ลาก็คงจะยกถวายหลวงปู่หลวงตาเหมือนกันพราเงินก้อนนี้เจดีเรื่องเจดีต่อไปนีใครใครก็อ้าวเห็นด้วยพระเนรสูกอ้าวจะซื้อถวายทองคําถวายหลวงตาทั้งหมดน เงินที่เหลือ6กล้านกว่านี่แหละจากนั้นเรื่องเจดีไม่ต้องฉลองเพราะบรรจุแล้วถวายเป็นสังฆทานเป็นของสงสกจบนะมีอะไรไมขัดคองอะไรไม้มเลิกกันพวกนั่งก็ถวายสังฆทานถวายเจดีกจบเลิกกัน เ, เป็ น, นเจ้าของใหญ่คือคุณอรุณเนโอ้ยไม่ได้ สร้างเจดีย์จบแล้วไม่ถวายได้ยังไงไม่ฉลองได้ยังไงต้องไปพูดใหม่แต่นั้นก็เลยเข้ามาหาเจ้าแก่สมหมายแล้วมาหาหลวงพ่อบอกว่าเมื่อฉลองเจดีย์หลวงตา เ, เงินในได้รับเงินบริจาคมากน้อยแค่ไหนในการฉลองเจดีย์จะมอบให้หลวงตาซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดจะไม่ มีแบ่งสารปันส่วนท่า น, นอาจารย์อินจะว่าอย่างไงหลวงพ่ออินจะว่าอย่างไงเราได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปกราบเราจะไปตัดสินใจก่อนหลวงตาก็ไม่ได้เราก็เข้าไปกราบหลวงตาก็การาบพ่อแม่ครูอาจารย์คณะทางปู่เจ้า ก, ก่อคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมพร้อมกับเจ้าอาวาสพระสงฆ์ บอกว่าจะตุกปัจจัยที่ได้ในงานฉลองเจดีย์ของหลวงปู่ล่าทั้งหมดจะมอบซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดครับผมหลวงตาท่านก็นั่งนิ่งโดยมากกับผู้เรื่องใหญ่ๆท่านจะนิ่งชักช่วระยะเนี่ยท่านก็คิดแตตัดสินใจถ้าเป็นอย่างนั้นเอารับจัดการ เฉาหงเฉลิมสมโพธิเพราะว่าเราเห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเรื่องเรานั่นคือเ อ, เอาไว้ก่อนแต่มันไม่ถูกก็มันไม่ถูกแต่ว่าเรื่องเราเห็นแก่ประเทศชาติเราจะหาทองคําเข้าคลังหลวงเอาสมโพธก็สมโพธิจัด ก, การครับผมาจากนั้นหลวงพ่อก็จะดําเนินงานในการสมโพธิปนิถูก เงินหกล้านกว่าซื้อทองคาได้ประมาณมีสมพเพ้าไปอีกประมาณได้ยี่สิบกิโลแล้วก็เงินทองที่ได้มาในวันนั้นอีกวันสมโพธถ้าหลวงพ่อจาไม่ผิดได้ทองคาทั้งหมดเกือบยี่สิบแปดกิโลม่มอบให้หลวงตาเอาเข้าคลังหลวงนี่แหละข่าวนั้นเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ได้สู้มาทุกรูปแบบ ต่อมาต่อมากันมาของคุณแม่ชีแก้วอีกแต่สร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ต่อมากันมาถึงหลวงตางานจรีละของหลวงตางานพระราชทานเพลิงของหลวงตางานนี้เป็นงานที่แปลว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้นกบุตรทุกอย่างบารมีที่สั่งสมมา ทั้งคันติทั้งบิญญาทุกอย่างปัญญาสัจจะที่จะทำกิจการของหลวงตาเพราะหลวงตามมอบอให้ใคล้ายๆกับเป็นความไว้าวางใจมอบความไว้าวางใจใครครห้เข้าไป ให้ดูแลเกียรองค์งานศพของหลวงตาเพราะฉะนั้นเราจะไปทิ้งดูดายไม่ได้เมื่อพ่อมอบความไว้วางใจแล้วเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในความรู้สึกของเราแต่เรื่องอย่างอื่นค่อยว่ากันต้องทำตามพินัยกรรมที่หลวงตา ม, มอบให้เป็นไข่มีพระยุตสีองค์ แล้วก็ศรัทธา ญ, ญาตโยมรวมแล้วเป็นแปดคนหลวงพ่อสุดใจที่เป็นเจ้ า, าวาดแปลว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านมอบให้เป็นผู้จัดการมรดกท่านไม่ได้ให้เข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการจัดงานศพของท่านนะให้เป็นผู้จัดการมรดกแต่เรื่องงานศพนั้นมีหลวงปู่ฟักที่หนึ่งองค์หลวงพ่อที่สองหลวงพ่อปัญญาที่สามหลวงพ่อวันชัยที่สี่ แต่หลวงปู่ฟักกับหลวงพ่อปัญญาจากไปเจอแล้วยังเหลือแต่หลวงพ่อกับหลวงพ่อวันชยัยแต่หลวงพ่อวันชัยตั้งแต่ป่วยมาท่านก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะท่านไม่สบายท่านป่วยเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่เป็นพระที่ที่จะจัดการได้หลวงพ่อก็จัดการอย่างหมดความสามารถมีความสามารถเท่าไหร่มอบทั้งทุ่มทั้งกายวาจาใจทุกอย่างเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตา ให้งานสําเร็จรูปล้วงแต่งา น, นที่ผ่านมาก็เป็นที่ยอมรับคนทั่วประเทศนที่พูดอย่างนั้นได้แต่ไม่เป็นที่ยอมรับเป็นคนบางกลุ่มแต่ขนาดนั้นก็จะไม่ใช่ธรรมดาอีกเหมือนกันแต่พอมาถึงช่วงเจดีของหลวงตาหลวงพ่อก็เอิงเอาพองานจุดนั้นหลวงพ่อได้ทําสุดความสามารถแล้วแต่ช่วงเจดีเนี่ยขอมอบให้ คณะสงฆ์กูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันทําให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแต่การสนับสนุนนั้นเราประกาศเ ล, เลยว่าศรัทธาญาติโยมกลุ่มของเราเที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเราจะสมทบ50สบล้านบาทเราก็ประกาศแล้วประกาศอีก แต่ถ้าว่าไม่มีความพร้อมเพียงสมัครีกันไม่ได้สร้างแล้วจะทำยังไงไม่เป็นไรเอามาสร้างที่วัดเราก็ได้จะสร้างอะไรก็ได้วัดเราจะสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นมาก็ได้หรือว่าตรงไหนก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์บูชาพระคุณหลวงตาเหมือนกันบูชาพระคุณหลวงตาไม่ใช่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ประเทศอินเดียอย่างนั้น่ะเมืองกุงกบินลพัท เขาก็สร้างพระเจดีย์กระจายไปทั่วมุมโลกมุมโลกไม่ว่าพม่าศรีลังกายี่ปุนเกหลหรือไตหวันจีนเลาคาเมรเขาสร้างทั้งหมดเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่างตรงไหนที่มันไม่พร้อมมันมีพิษมีภยัยมันไม่มีความพร้อมเพียงสามัคคีเราอาจจะลงที่ไหนก็ได้ ที่มันสบายใจเป็นที่ราบลื่นของคณะกลุ่มของเราหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเรากลาบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไปกลาบอินเดียจึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรากลาบที่นี่เราก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันถึงใครก็ตามไปกอดชายสบงจีบอลของพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า แต่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าอากีกเห็นพระพุทธเจ้าอยากฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างปฏิเทวทัตนะจะเกิดประโยชน์อะไรสู้ผู้อยู่ไกลไม่ได้อย่างพวกเราอยู่ไกลได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามเราเคารพนับถือเลื่อมใสเออเป็นสวาขาตธรรมพระพุทธเจ้าพูดถูก จริงแน่นอนนำมาคิดนำมาพิจารณาการกองไตรตองด้วยเหตุและผลทุกอย่างล้วนแล้วมีเหตุผลทั้งนั้นเราเคารพนับถือเลื่อมใสขอกราบคารวะพระพุทธทเจ้าฮะเป็นที่เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าขอกราบลำลึกถึงพระคุณฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะเรากราบลำลึกถึงคุณพระคุณของหลวงตา หลวงตาเป็นผู้มีพระคุณแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าคําว่าข้าพเจ้าของนี้ทุกคนก็ต้องข้าพเจ้าเหมือนกันข้าพเจ้านายกข้าพเจ้านายขอนางงนางกข้าพเจ้าข้าพเจ้าพระอินอหลวงตาอินอาจารย์อินอขอน้อมรับว่าหลวงตาหลวงตานเป็นผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีอุปการคุณเป็นผู้เมตตาให้แนะนำสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมศีล ส, สมาธิปัญญาให้กับเราเราได้รับความรู้ความเข้าใจในธรรมของหลวงตาข้าพเจ้าขอนอบน้อมคารวะโดยความกรบอย่างลึกซึ้งนะเราก็อยู่ไกลแต่เราก็ลํำลึกถึงได้ เ, เพราะอะไรเพราะพระคุณทั้งหลายอยู่ในใจของพวกเรา แต่หลวงตาท่านก็ไม่ได้อะไรเ อ, อกับเรามิจฉาวเรา ล, ลึกถึงท่านตัวเองท่านไม่ได้แบ่งสันปันส่วนอะไรเหมือนกับหลวงพ่อนะ่ะเออศรัท ธ, ธาญาติโยมนะเ อ, อไปทาํามาค้าขายอย่างนี้นะอย่างนี้นี่นะแต่เมื่อเขาไปทาํามาค้าขายแล้วเขารวยขึ้นมาเขาก็เพียงนล้าลึกว่าโอ้ขอบคุณหลวงพ่ออินมากๆที่ท่านหลวงพ่ออินแนะนําเ อ, อบอกกล่าวให้พวกเราที่ได้ ทำมาค้าขายเราเลี้ยงชีพได้จนถึงล่ํารวยเพราะแนวความคิดของพ่ออินแนะนําข้าพเจ้าขอขอบคุณหลวงพ่ออินอย่างมากก็ได้เพียงแค่นั้นเราไม่ได้ยินอีกต่างหากที่เขาขอบคุณเรานอยู่มุมโลกไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นเราไม่ได้อะไรจากเขาในส่วนที่ได้มีแต่เรามีอะไรเราให้เมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เราจะไม่พูดเราพูดแต่ว่าให้คิดดีทดําดีพูดดีกรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังกรรมชั่วคำในี้ใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคน เราคิดยังไงเราคิดชั่วใช่ไหมเราทำชั่วจะไม่พูดชั่วใช่ไหมไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองตัวของท่านรู้ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะนั้นอย่าคิดในสิ่งที่มันชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนะมันไม่ดีจะทำให้ตนเองเดือดร้อนตามมาเมื่อภายหลังหลวงพ่อมีแต่แนะนำอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะสัทธายาิโยมนะหลวงพ่อน่ นึกนถอถอยหลังย้อนหลังดูในชีวประวัติเรื่องการเป็นอยู่ของตนเองเกิดมาทั้งทีเกิดมาเพื่อสั่งสมคุณงามความดีเกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยได้บวชมาในพระพุทธศาสนาได้สั่งสมคุณงามความดีได้มีอุปสรรคนานับประ ก, การอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาพูดวันนี้ก็ยืดยาวเพราะพูดเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตอันนี้เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองนะถ้าจะให้พูดจริงๆทั้งวันทั้งคืนคงจะจบไม่ได้เพราะประวัติยาวเหลือเกินตั้ง69ปีพอจำความไรเราจะไปพูดแบบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยังไงใช่ไหมละ่ะเอาละวันนี้ถ้าพูดยาวเดี๋ยวไม่ได้ฉันอาหารเอาเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้